นี่เป็นความเห็นด้วยท่านพยยามตามความเห็นของท่านปฏิบัติปฏิบัติตามความเห็นของท่านแต่ว่าความเห็นนี่มันชอบอ ม, มันชอบจริงๆไม่มีทางหลีกเลี่ยง <c oughs> ที่เราสาธยายมรรคแปดประการนี้ฟังไหมจนถึงโน้น จนถึงฌานที่สีวิตุวิจานปีติสุเอคาตตาที่ท่านสวเชี่เร า, าพากันสวดไป น, นั้นมันจะมาเฉียดสักหน่อยหรือไม่ในใจของเราที่ทามาพระองค์ท่านท่านพยายามไม่ทอดหอย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 ไม่เห็นความแกเน็จเหนื่อยเลยท่านพยายามมุ่งมุตรุษเลยพวกเราภรรษาเดียวกันนั้นหมดแล้วสองเดือนสามเดือนหมดแล้วสามปีสี่ปีหมดแล้วพระพุทธองค์ท่านเป็นมรงมครูเราท่านที่สุดท่านพยายามอยู่6กปีดูสิ เราเป็นลุกจิต ท, ท่านอยากจะเดือนออกหน้าท่านเลยเดือนต้องเดือนตั้มเดือนปีต้องปีอยากจะไปซะแล้วมันคงจะไม่มีเ็นแน่ว้าระพุทธองค์ท่านะ่ะมันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นเราไปคิดอย่างนั้นมันมีร้อนมันไม่ต้องมีเย็นนะมึงมีแต่ร้อนเั่านั้น่ะ มันคิดไปในใ น, ในอันนี้มันก็ห่างกันโดดไปเรๆการนั่งสมาธิทำรรนี่นีท่านสอนนณะของจิตเนี่ยวิตกวิจารปีปีสุขเอกกตาอืีดูนี่เรื่องของจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องอืญฌานนี่ก็คือเรื่องของจิตที่จะขอไปถึงนี่น เรื่องเข้าอยู่เรื่องกิจเข้าอยู่ตามภูมิธรรมตามนามธรรมาภูมิธรรมบางทีนั่งไอ้ความมิตกมันยกขึ้นมามิตกถึงโน้นถึงนี้อย่างนี้เมื่อมิตกถึงนั่นเน่ยก็พิจารณาเรื่องมิตกกันนั่นมันก็เป็นวิจฉาไปเนี่ยซึ่งเป็นส่วนกุศลธรรม น, นี่ มีวิตกวิจารปีติสุกเอก ก, กตาปัตมฌานมันมีองค์ห้ามีตกก็มีวิจารก็มีปีติก็มีสุกก็มีเอกะกตาก็มีรวมทั้งหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นไง มันรวมหลายอย่างรวมตรงนั้นนะมันรวมตรงนั้นจิตมันหยาบพูดง่ายๆนั่งสมาธิมันเกิดวิตกวิตกถึงอนโนนอันนี้หรือวิจารนะพิจารณาเรื่องเรืวิตกไปถังนั้นในส่วนนี้เป็นจิตธรรมดาของเราแต่ นั่งต่อพิจารณาไปอีกวิตกมันหายไปวิจาร์มันก็หายไปหายไปจากใจของเรานีแน่ปีติพุ่งขึ้นมาเลยความอิ่มใจเนี่ยปีติขึ้นมา ทำไมมันหายไปตรงไหนเนี่ยวิตกมันเป็นของหยาบแต่แล้ววิจารณ์มันก็เป็นของหยาบไปแต่แล้วปีติมันละเอียดเขานั่ยก็ปีติพุ่งขึ้นมาวิตกวิจารณปีติพุ่งขึ้นมาครับทําไมมันเป็นมันหายไปไหนล่ะวิตกวิจารหายไปไหนอืม เพราะว่าปีติมันเกิดขึ้นมาแล้วอี่ธกวิจารณมันเป็นของหยากก็เหมือนกันก็แสงสว่างวนี่เนี่เลยเมื่อแสงสว่างพึ่ขึ้นมาแล้วมืดไปไหนกันเราจะเห็น ง, ง่ายๆอย่างนี้มืดไปไหนกั น, นแล้วดูง่ก็ได้ ดูกันง่ายง่ายไม่ต้องไปดูไปอย่างอื่นหรอกปัตถมะฌานครั้งแรกถ้าเป็นสมาธิถึงปัตถมะฌานมันมีวิตกวิจานปีติสุขเอกสัตว์ห้าอย่างท่านเรียกว่าปัตถมะฌานมันมีองค์ห้าเมื่อจิตสงุปในเวลานั้นมีสิ่งห้าสิ่งมีรวมอยู่ในนั้นในดวงจิตนั่น มันมีห้าสิ่งเทคนิคโนดกไปอยู่ในห้าสิ่งนั้นเนี่ยมันอิ่มพูดไม่ถูกนะเนี่ยแต่เมื่อกิจสงบกไปเรื่อยๆมันละเอียดไปละเอียดไปนีี่ตกหายไปวิจาร์หายไปไม่มีปีติคือความอิ่มเกิดขึ้นมาเนี่ย น้ำตามันจะไหลออกเลยสารพัดอย่างก็เหมือนเราอยู่ปกตินี่เมื่อเป็นเช่นนั่นเหมือนอยู่คนละโลกเหมือนอยู่คนละโลกเหมือนอยู่คนละโลกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดวงจิตของเราที่เราทำมันสะอาดขึ้น เราภพ ก, กันจะแย้งหานี่แหละแต่ว่าจริงทั้งหลายเหล่านี้มันจะขื่อใจเพราะอะไรเพราะจตนาของเราเพราะเราทำด้วยความจริงใจของเรา จ, จริงจริงไม่มีหน้ามีหนัง่นะไรอย่างเราเรียนมากทั้งแปดประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสัจจะโตสัมมาอาชีโวสัมมากรรมันโตทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทอท่อมันไม่ดีกว เป็นปฏิปทาที่สม่ําเสมอให้เกิดจริงทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมาอแต่ว่าเราก็ยังไม่ดูเรื่องก็ยังอยากถลีถไายไปอย่างอื่นแต่ก็อยากได้อยู่แต่ก็ขี้เกียจทํางานมันไปในในํานองนี้อยากได้กันแต่ขี้เกียจทํางานคือว่ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิด อยากได้อยู่แต่เดินไม่ถูกทางถ้าในเดินมากแบดมีมัมกมีองค์แปดเราเดินไม่ได้เหมันไม่สนุกอืมมันไม่สนุกมนไม่สนุกเพราะคนที่ยังมัวยอยู่ในจิตดีทั้งหลายเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอยู่อย่างเนี้ย มันก็ไม่เข้าในมัดสมาธิมันก็ไม่เกิดผมเคยเทศในฟังไม่ไหวว่าศีระธรรมหินนี่แหละมันเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายเธรรมทั้งหลายคือที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่มันมีความเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านกล่าวถึงปัตถมัชานทุติยชานตายยชานจตุจชานอย่างนี้ ชาตทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากศีลศีล น, น, นี่เป็นพ่อแม่ของธรรมะเออศีลไม่มีธรรมะนี่ไม่เกิดเพราะว่ามันเดินเป็นคนเดินทางมันเป็นมิจฉาทิฐิคิดผิดพูดผิดทำผิดนึกผิดอิจตกผิดสารพัดอย่างมันก็ไม่เข้าแนวกันเนี่ย เราก็ทําอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เข้าเนวมันไม่เข้าเนวมันไม่เข้าเรื่องมันจะพูดเรื่องโรคเราง่ายง่ายพูดเรื่องโรคของเรานี่ยไอ้คนเกิดมาเรื่องโรคปัญญาทําไมไม่เหมือนกันตรวจบัณเดียวกันปีเดียวกันเท่านั้น ความรู้ความจะริญในเหมือนกัน mm hmm. สอบวิชาความรู้ในโรงเรียนเดียวกัน mm hmm. ก็ไม่สมำแต่เมือ่อไหมันเพราะอะไรเนี่ย mm hmm. ที่นี่ตันจิงบอกว่า mm hmm. เมื่อคนอื่นในดีเราก็ทนอยู่ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างเขานั่นของเราไม่มีเราก็อยากเป็นอย่างเขานั่น mm hmm. นี่ประพฤธ์จะองถันย้อนมาถึงกรรมถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านเดี่ยวอย่าไปดิ้นรนมันเลยสัตว์อาศัยกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผิดพึ่งท่านน้พิจารณาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเก็บไว้ในใจพิจารณาสร้างกรรมดีเป็นระพฤติมันจะยังไม่ได้ดีเดียวนี้ก็ะชั่งมันจะทำไป ทำไปไม่ทอถทอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยแม่มันเกิดมาจากไห น, นอนะไอ้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรพิจารณาไปเชจานามาดิ้ดืเห็นมันเกิดมาจากความเกิด ม, มันจึงเป็นทุกข์เพราะเราเกิดมา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 เคลาพยาธิมรณะทุกโสกปริเทวนาทุกข์เป็นวัฏจักไปเลยบนไม่จะดตีหนึ่งอย่างนั้นพระองค์กันแน่ว่ามันมีเกิดเกิดนี่แ่ละเป็นเหตุในทุกมันเกิดเสียแล้วอไอ้ที่ไม่เกิดมันจะมีมั่งไหมหนาคิดไปที่จะนาไป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 ผลที่สุดนั้นท่านก็มองเห็นมาทางาไอ้ความรู้อันใดไอ้ความรู้ในทุกเห็นทุกรู้ว่าทุกไอ้ความรู้อะไรรู้ว่าทุกเกิดเหตุของทุกเกิดรู้วาไอ้ความระดับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความระดับทุกนี่เป็นทางออกของพระอริยะบุคคลแล้ว ไม่ต้องรู้เปมากมายเรารู้อันนี้เองเะอ่ยรู้ทุกรู้เหตุที่เกิดทุกรู้ความหลับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงถึงความหลับทุกเท่า น, นี้เป็นมรรคเนเป็นทางเดินของพวเราทั้งหลายแล้วไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นนักปฏิบัติเราที่บางที อปฏิบัติอยากจะมันพ้นจากทุกอยากจะมันเห็นของดีๆบางทีก็ฝันไปเมื่อคืนนี้ผมฝันเนี่ยในหออยู่บนอากาศมันจะเป็นยังไงอืเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าเห็นแสงอะไรผ่านมาบนที่ิศเราขนลุกสู้สามันจะเป็นอะไรกันอาจารย์ครับเออเลยวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้ มันไม่ใช่เรื่องอันนี้ถ้าในห่วงจริงไม่ใช่เรื่องอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเัมนนี้เรามื่กลมมองอยู่ตรงนี้แหะมันในเข้าทางมันเลยไม่เข้าทางมักเดินในมันทะลุไม่เข้าทางผีพระพุทธองค์นั่นจะมมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็น มันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดมันแน่เลยทีเดียวแหละอารมณ์อะไรจะมาปัดเป่าตรงไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวเลยมันจะไปตรงนี้ก็ช่างมันเถอะคนหาทุกข์มันเป็นอย่างไรเห็นตัวทุกข์แล้วทุกข์ที่เราเคยได้รับมันอยู่ทุกวันนี่ทุกข์เรารู้ว่ามันทุกข์ทุกข์นี่มันเกิดมาจากอะไร ต่อไปอีกอก็เห็นว่าทุกนี้มันเกิดมาจากอันนั้นเช่นเรายกขันนี่มันหนักถ้าระวงังไปเฉยๆมันก็ไม่หนักพอเรายกขึ้นมาปุ๊บหนักเอ๊ะหนักที่มันเกิดเพราะอะไรเอาหาไปดิคิดไปคิดมาคิดโอ้มันหนักเพราะไปยกอันนี้นก็วางอันนี้ วางวางผลเนี่ยวางเหตุที่จะมันให้หนักก็วางลงไปมันก็เบาใช่ไหมนี่พูดกันง่ายๆนี่มันก็เบาไอ้หนักนี่คือทุกข์เรามีทุกข์ก็เหมือนกันก็นยกอันนี้มันหนักหนักนี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากยกระครังนี้เราผวางระครังนี้มันก็ไม่ทุกข์ รู้อย่าทุกแต่กู้จะเขียนบานคือมันยกอันนี้มันถึงหนักเมื่อเรามีทุกข์ขึ้นมาเราอยู่สบายป ก, กติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันต้องมีอืทุกข์มันเกิดมาจากอะไรก็ไปแก้มันตรงนั้นเหมือนกับเรายกกระถังนี้อื้อหนักวมันหนักเพราะอะไรนี่พิจารณาไปพิจารณาไป มันหนักเพราะไปยกลูกทิมิตรหรือไม่ใช่ออะไรอยู่ในมือเราเนี่ยเออมันหนักผิดปกติเนี่ยหนักเพราะยกะระฆังนี้นี่เป็นเหตุให้มันหนักทํายังไงเมื่อแไม่หนักวางะระฆังนี่ลงนี้มันก็ไม่หนักเมื่อไม่หนักเบาก็เกิดขึ้นมาหนีรูกจากแล้ว ทำไมถึงไม่มันถึงไม่นักรู้จากทุกรู้จากเหตุเกิดทุกปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็คือวางนี <c oughs> ปฏิบัติก็คือวางอันนี้วางขันเนี่ยรู้จากทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จากความดับทุกแล้วรู้จากความดับทุกก็คือปฏิบัติ เราไม่ปฏิบัติมันหนักก็จะทำอะไรปฏิบัติให้มันไม่ให้นหนักกันมันก็ต้องวางนี้เท่านี้หละเท่านี้รู้จักทุกดูเจตเหตุเกิดของทุกู้จักความดับทุกู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกเราทาเท่านี้วางเท่านี้มันก็ดับแล้วทุกนะันนี่คือเราปฏิบัติใช่ไหม เมื่อเราตำเขาไปครั้งแรกแล้ก็ไม่รู้เรื่องยกอล้ น, นี้ขึ้นมาเมียมันหนักเพราะอะไรนอเนาะเนาะมันหนักเพราะอะไรไม่รู้เรื่องหือหนักเพราะอะไรเนาะเพราะคนนั้นดูถูกเราไอ้เพราะคนนั้นว่าให้เรา้งสารพัดอย่างนะไม่รู้ของในมือของเราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูไปเออมันทุกข์เกิอดอย่างนี้เนาะ อย่างนี้มีทุกไหมัม่มีไม่มีไม่มีก็มีเหตุเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีทุกเหตุเมื่อเหตุเพราะอะไรเพราะมันไปยกอะไรเลยเราอยู่เฉยๆนีมันไม่ไม่หนักออแล้วก็ไม่ทุกพอพูดถึงทางนั้นก็ไม่ทุกเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่หนักในเวลานี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยกอะไรเลยนี่ อยู่่เฉยๆเนี่ย <S <S เ, ย <S 1> <S 1> เยมื่อทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็พระเราไปหยิบมันนี่ขึ้นมามันก็เท่านี้เองปฏิวัติของเราเน่ะแต่มันเป็นเรื่องจิตใจเท่านั้นเนี่ยแต่คนตะคุบไปถูกเนะก็ฮงอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คนเราเงาเกรียตมันท่วงหัวอยกกรเห็นว่ามันยาก จะต้องให้คนนั่นพูดถูกใจฉันฉันจริงจะสบายเอออันนั่นจะถูกใจฉันทุกอย่างการงานให้ให้ถูกใจฉันคนนั่นทําให้ถูกใจฉันให้คนนั่นทําให้ถูกใจฉันทุกอย่างฉันจริงจะสบาย <c oughs> มันจะมีไหมในโลกใครจะพูดให้ถูกใจคนคนเดียวทางโลกจะ ม, มีไหมนี่จะทุกข์จนตายเท่นั้นเนี่ย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 ถ้าพูดไปตรงนี้คนเรามคงงงมันเคยพบที่สุขกับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ไม่เคยเห็นเลยอืมถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เวบังเอิญเป็นเป็นข้างคราวเดีดิ้นเลยฉันจะจะตายเลยเจ้ามันบีบเพราะใจฉันเนี่ยเออเนี่ยคนไปอยู่ตรงนั้นไม่ ไ, มได้นอกจากพระอริยเจ้าท่านจะไปอยู่ตรงนั้นท่านจะสบาย ท่านจะสบาเหมือนเหมือนเราตัดกางเกงไฮ้ลนเนี่ยนะมันนิ่มเลยทีเดียวองลอง่มันขี้กางเกงเลยเอาสิมันไม่เคยทานี่ที่จะมาสบายปล่อยตามเรื่องมันก็สบายเราจะให้ไม่ให้มีสุขมีทุกข์โอ้โหตายไปแล้วนะไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่นไปไม่ได้อย่างนั้นการเทียบถึงไอ้พวกยุงพวกเลือด มันมันไปอยู่ตรงนั้นไม่นานหรอกอายุมันเจ็ดวนันก็ตายเท่านั้นนะอยู่เป็นไม่ได้ตรงนั้นอันนี้คือการของมันมีอยู่แต่ว่าเราค้นไม่พบเพราะอะไรอืมพระความเพียร ไ, ไม่พออ่าไม่ถึงได้กระผมเคยพูดให้ฟังบ่บยอยๆไฟ คนแก่คนโบราณนะี่ะไฟเขาอไฟมันอยู่ตรงนี้อยู่ซี่ไม่ไฟแห้งๆนี่จะทำไงก็ เ, เอาไม้ไฟสองซี่เนี่ยมาสีกันเข้าไปไม่หยุดชฟอยู่ตรงนี้คนแก่เขาเคยทำมาแล้วบานทีเขาเคยไปป่าคนโบราณเราไปป่าไม่ต้องถือไม่กีดไฟ เอาที่ม่ไห่แห้งๆตามกระต๊อกนาเขาห่ะหรือลำปอแห้งๆเนี่ยเขาบอกว่าไฟอยู่ตรงนั้น <c oughs> เออ <c oughs> ถึงจะทำอาหารเมื่อไรเป็นต้นก็อไม่ไผ่สองที่เมื่อสีกันเ ข, ข้าไปขะูดไม่ ขูดไม่เป็นเชื่อลิงแต่นี่จะเกิดซีไดซ้ไปฮะีไปครั้งแรกมันเย็นชี้ไปมันร้อนชี้ไปนานๆมันมีควันแต่มันร้อนนี่ก็อยู่นานโอ้โหนะแต่มันเกิดเป็นควันนี่ก็อยู่นานโอ้โหนะนะก่อนไม่จะเกิดไฟนี่นะ เราเป็นลูกเป็นหลานสมัยนี้ยิงความอดทนน้อยก็คว้าเอาไม่ไผ่มาสีไปไม่ถึงสองนาทีลำคาญจะแล้วนะลำคานท่านแล้วเอา้าเอาวางไว้นะมีแรงซะมันก็เย็นท่านนะเนก็มาสีอีกมันก็เรื่องจะต้นไปอีก ชี้ไปจนกระทัง่งสามชั่วโมงหรือกระทั่งวันมันก็ไม่ได้พอาชี้ไปเราก็มาวางไว้มันก็เย็นอีกก็เอามาชีกันอีกอเกือบจะมีไฟแล้วก็เหนื่อ ย, ยอีกกิจเหตอีกก็เย็นมาวางไว้ตรงนี้ได้ดูถูกคนแก่คนแกบาบา่บอกว่บาบา่เนี่ยโกหกให้เรานี่เอาชี่ไปไัยมาชีกันเกือบจะตายมันจะมีอะไร น, นี่นี่แหละ คือเรารู้ไม่ถึงมันคือความร้อนยังไม่สมรุมกันเราอยากจใจไฟเกิดขึ้นแล้วคนแก่เขาเคยทำมาเขาผ่านมาแล้วเ้าสีจนกว่าทีว่ามันใช่อดฟังอดทนสีไปมันยิ่งน้อนยิ่งสีเขาไม่ไม่ไม่ต้องพักหรอกแต่พักมันก็เย็นเท่า น, นั้นเนีืยสีมันทะลุไปเลยในกควานเกิดขึ้นมา เมื่อควนเกิดขึ้นมาเอาเชือเพลิงมาปิดกลางบนรอยสีไปเรื่นะอืมนแล้วเกิดไฟจริงๆมันร้อนเต็มทีไอ้ความร้อนมันถึงรุ่มมันเกิดไฟเป็นมาเนี่ยเกิดพลุปเป็นไฟเห็นไหมเมื่อเกิดเป็นไฟพลุเอาเชือเพลิงเข้ามาใส่เลยนะตั้นั้นเนี่ยเอาไปเผาอะไรก็ได้เอาไปแจล้งนะไรก็ได้นะ้อย่างอืนี่คือคนแก่เคยทํามาแล้วแปลว่า ไอ้เด็กๆของเราที่เกิดมารุ่นใหม่เนี่ยมันอะไรมันก็สะดวกสะดวกนะมันสะดวกหลายมันสะดวกมากเกินไปในเอาชแนลฉันเนี่ยให้เอาที่ไปใส่ภาสีกันอยู่ชั้นไม่กินก็ไม่ได้กินมันคือไม่กินมันเท่านั้นนะเนี่ยอย่างเนี้ก็เหมือนกันกั น, กนที่ว่าให้ลูกล้านหล า, านที่เราไม่ตามอื่นนะ พวกนักศึกษามามาขอเรียนกรรมฐานฟังฟังถามก็อยากในต้องการเร็วๆทางนั้นเนี่ยพ่ออยากอยากหาวิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยจะทำไหมเร็วที่สุดไปทำไหมโอ้ยเต็มทีนะมันเร็วที่สุดมันไม่ได้แล้วโยมมันไม่ได้มันของมีเหตุมีผล เออไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาทุบเดียวตามชอบใจของเราอย่างนั้น อ, อืามันต้องมีเหตุมีผลสมควรมันจึงมีถึงเป็นเกิดขึ้นมาอาเดียวที่สุดเนี่ยพระพุทธองค์สมหมดปัญญา อ, อมาแล้วพ่อก็แก้ปัญหานี่ไม่ได้เลยต้องการเด็วเร็วเนี่ยถ้าอยากเรยวก็ไม่ต้องทำมันเท่านั้นนี่มีตาต้องเร็วมันต้องทําอย่าทำมันเท่านั้น น่มันเป็นไปอย่างนี้อันนี้กืมันกัน น, นั่นนี่ท่านสวดมรรคแปดประการเนี่ยนี่เป็นเรื่องจิตใจทั้งนั้นนะไม่ใช่ของเกิดมาง่ายๆไม่เกิดง่ายๆการกระทานี่ต้องเอาชีวิตแรกเอาเลยตายเป็นตายเป็นเป็นๆแเราจะพยายามอยู่อย่างนี้ ไม่หยุดไม่ถอยเลยพยายามการรักษาศีลมีสติสัมปชัญญะอยู่ <_ d> um> ก็ทําำเรื่อยไม่ท้อไม่ถอยเลยทําอยู่เรื่อยๆหมดความประมาทไอความประมาทไม่มีในวงนี้เอไม่มีในวงนี้ศีลมันก็จเจริญขึ้นมาเพราะทําความติดต่อกัน เหมือนกัารเราเอาไม้ไผ่มาสีไฟสีไม่หยุดเจอไอ้ความร้อนมันก็มากขึ้นมากขึ้นยิ่งสีกันไปก็มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อร้อนมันมากมันเกิดควันนะมันใกล้จะเป็นไฟแล้ยนี่นะแต่ว่ามันมีควันอยู่ก็พักหนึ่งนันไม่ใจเด่นเด่นเหมือนกันนะเออแต่ไม่ยอมปล่อยมันทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมาเกิดไฟขึ้นมาในที่นั่นเลย นี่เหมือนประพุทธองค์ของเราท่านประพฤติปฏิบัติตามความเหมนของท่านมามันทุกข์เพราะอะไรคิดไปคิดมาไม่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดมามองไปข้างหน้าข้างหลังมันก็แน่นอนทุกข์เพราะไม่เกิดทุกข์เพราะเราเกิดมา จะทำยังไงล่ะก็พยายามภาวนาไปอีกเอเกิดมามันก็เกิดมาได้ตายมันก็ตายของมันได้อันนี้ไม่ได้แต่งมันเป็นอย่างของมันอยู่อย่างนั้นแต่คิดไปพิจารณาไปดีๆในที่สง บ, บของจันเห็นถ้าดีกว่าอันนี้มันมีเกิดที่ไปเกิดจะมีไหมเนอะมีสิมันมี ที่ไม่เกิดพอเห็นที่ไม่เกิดพอเห็นที่ไปตายเท่านั้นอ๋อตรงนี้เองเว้ยเห็นไหมเอ้เนี่ยมันจะเกิดมาเพราะอะไรนี่ก็เหมือนกันนัเนี่ยเป็นนิยาสติทุกส ม, มุทัยนิโรธมากสี่อย่างนี้รู้จักทุกบุญจักเกตเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติใพ็นความหลับทุกทําไปเถอะตรงเนี้ย ท่านไม่ปล่อยของท่านไอ้ความเพียรของท่านเข้มแข็งมากแน่นอนในใจว่ามันอยู่ตรงเนี้ยใครว่ามันอยู่ตรงโน้นไม่ใช่อยู่ตรงเนี้ยอ่าอยู่ตรงเนี้ยใครบอกไปที่ไม่ไปมันอยู่ตรงนี้นะท่านเห็นทัดตรงท่านท่าเอาชีวิตใส่ลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงที่จะไม่มีทุกข์แล้วเออนะตรงนี้ตรงจะไม่มีทุก ไม่มีทุกข์ถ้าเราทําไปตรงนี้ตรงนี้ที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่เกิดทุกข์ไม่ฟังเสียงใครแล้วเนะอันนี้ท่านก็บําเพลีมาพ่อเหมือนกันนี่เป็นจิโ ม, มชาติของท่านนี่นะท่านมาเล่นอยู่สักหกรรษาเลยใช่ไหมท่านก็ยังไม่ยอดพ่อเลย เมื่อไรจะสําเร็จเนาะท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเมื่อไรก็เมื่อไรเถอนะน่ะมันอยู่ตรงนี้ที่อื่นมันคุนยไปอยู่ตรงเนี้ยเดินเที่ยวหาดีโมกขธรรมไปถูงอุตะราบทอรันดาบที่ไม่เคยเห็นเนี่ยไปเห็นท่านก็ไปนั่งท่านก็นั่งะมาี่อย่างเนี้ย ถ้าผู้โต้เดินไปดูทำแบบนี้ก็น่าจะสบายเหมือนกันด้วยเอามือขวาชับมือซ้ายเท่าวขวาับเท่าซ้ายนั่งตั้งกายให้ตรงดับตาด้วยนั่งอยู่ในต้นไม้พ้าพู้โต้องเดิไปเห็นคนชอบใจเหมือนกันมันน่าจะสงบว่ะตาก็ดับเธอด้วยมือถ้าวางเป็นระเบียบเลยอันนี้เราไม่เคยเห็นเลย พยายามอยู่ขออยู่ในตำนักนั้นฝึกมันฝึกเนี่ยท่านไม่ได้ประมาททุบดองดูท่านแบบก็น่าจกตากรดักแตแล้วนี่จะดมหายใจเข้าออกอยู่เเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ที่สำคัญที่สนคังเกียตว่าเอออันนี้ยังไม่สนทุกข์ว่ะ ทำไมจะไม่เปนทุกข์เพราะท่านดูจิตของท่านเมื่อเราปล่ลอยออกจากธรรมดาน่ะอยู่ปกติแล้วเนะี่ยยิดมันหวันยึดปกไปถึงโนงนล่าหลุนปิมพพานะโอ้ยนนมันยังอยูอย่เว้ยมันยังมันยังไปเกาะอยู่นั่นนะมันยังไปเกาะอยู่โน้นทําไปอีก อ, อ, อันนี้ก็ยังยังไม่ใช่เกือไปเล่นเป็นต้นทางแล้ว ท่านไปอยู่ในสั้นักเป็นโทตมขวดออกไปอีกหาไปอีกรู้แล้วว่านี่แต่ว่าเป็นทางเหมือนกันแต่ยังมีควทุกข์ยังอีอ่วอเนี่ยคือัญาุรุจิตของท่านนี่น่ะมันเป็นอุปทานอยู่ตรงนั้นและนี่อยู่ไปหาอารามญาอารามญาลาบุต่อไปได้ทานมากเลยธรรมาแปดธรมรมะแปด โอ้ยละเอียดไป็นกว่าที่วางมันจะไม่มีอะไรเลยอือเออแน่นอนไปคือหนึมากด้เอียดตัวกันมากนานแตงบนานที่สุดแล้วแจกก็ยังไม่อยู่เหมือนกันนะพอเถออยู่เป็นปกติเฉยๆมันถผ่ไปหาติมปาลาสุนลแล้วเอออันนี้ก็ยังอยู่ดีแล้วยังไปไม่ไหวอีกน ะ, นะเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนนะ นี่นนี่อานี่กา น, น, นี่มันเป็นเรื่องของสมาธิละเอียดทึกขั้นไหนเมื่อมันมีละเอียดอยู่มันก็มีหยาบอยู่นั่นแหละเนี่ยเออดิปัสนากอไปตัศนะ แม้มันละเอียดเยอะเกินผมชอบนั่งและชอบรับละเอียดแต่วังเอยอย่ามันจะเปิดขึ้นามาเยนี่ยถ้าพระองค์มีแน่ใจก็ทำไปดิดนีอาทำไปดิๆอันนี้เป็นลักนะเดินมามีองค์แก่ประการนี้เข้าฌานสมาบัตริสรพัดอย่างตรงเนี้ยนะปัญญายังไม่เปิด ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วท่านรู้จักอารมณ์ของนิพพฒนาคือเหตุที่จะมันในเกิดนิพพานาให้รู้เท่าตามเป็นจริงนั้นให้มันหมดสิ้นไปเลยไม่ให้มันเหลืออยากเหลือละเอียดนั่นจะทำไงนอกอท่านทิ่าปนหนาอารมณ์ทั้งหลายทุกอย่าง เมื่อมากระทบแล้วแ น, น่อานิจังทุกขังอนาตตาสามอย่างนี้แหละ<ม>เป็นอารมณ์ของมีปัจนาแล้วเป็นที่สิ่งที่ทําจิตของเราให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วนี่นี่ท่านมาจะเดินนีะถ้าอะไรเกิดสุขเกิดมาเกิดตว่าอ้อา น, นิจังทุกขังอนาตตาเป็นของไม่แน่เป็นของไม่แน่ ทุขมันก็ไม่แน่สุขมันก็ไม่แน่เราชอบมันก็ไม่แน่เราไม่ชอบมันก็ไม่แน่เมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นม า, ม, มาเนี่ยท่านไม่วิ่งตามมันเลยท่านอยู่หลักอันนี้เลยตรัสรู้อย่างนี้โดยหลักที่เรียกว่าอนิจจังทุกขงังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของนิพพานา เมื่อถูกอารมณ์อะไรขึ้นมาท่านก็วัดเจตตรงนี้ตรงนี้ลู้เรื่องไปคือไม่ไปยึดจนเป็นเหตุที่ว่าไม่ให้มีประทานคอไปยึดมันมันจะรัก็กเห็นว่าอันนี้มันเป็นโทษมันจะเกลียดอันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นโทษอยู่มันยังเหลืออยู่เนี่ยไม่เข้าทาั้งไหนเลย เมื่อเห็นอารมณ์เกิดขึ้นมาทุกอย่างท่านปล่วางจิตของอย่างนี้อันนี้มันไม่แน่สอนจนจิตของท่านเห็นอืมถ้าเห็นแล้วมันแน่แต่พอไปยึดท่านสอนจิตอันนี้มันไม่แน่กายนี่จิตนี่สารพัดนี่มันไม่แน่สักอย่างเป็นเหตุให้ปล่อยวางถ้าว่ามันไม่แน่ย ไอ้ความแน่ในสิ่งเหล่านี้มันก็น้อยต่อน้อยต่อจนเป็นเหตุไม่ยึดมั่นถือมัน่นในรูปและนามอนี้ในกายในจิตอันนี้ทั้งรูปและทั้งไม่มีรูปเนี้รูปขึ้นมาไม่ยึดมั่นถือมัน่นต่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอืจะพามันทำทางไหยเห็นว่ามันเกิดเด้่วดับมันเกิดเดียวดั บ, มดดบไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น อย่างเราที่เห็นภาพเนี่ยชั้นมันทุกข์เหลือเกินทาไมเพราะสุขมันดับไปแต่นั้นมีใครทุกข์เกิดนมาพรอสุขเกิดมาทุ๊บเออสบายได้เป็นสุขไม่ใช่ทุกข์มันดับไปเฉยเราก็เป็นไปเรียกสงนั่นว่ามันเป็นสุขไอ้ความเป็นจริงว่ะทุกข์เกิดแดีวก็ทุกข์ดับทุกข์เกิดแดีวก็ทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกเท่านี้น่ะ เ อ, อเราไปเห็นทุกข์มันดับเราเรียกว่าสุขนะไปจัดคือตรงนั้น ไ, นไปสักคุบตรงนั้นอยู่ไม่อยู่สัทีหนึ่งเลยท่านเห็นชัดกไปกว่านั้นว่าถ้าหากว่ามันยังเหลือละเอียดอยู่นี่คีนาสาวูขีนาศกนี่ก็มีเกิดขึ้นมาแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไมีเรื่องสิ้นไปถ้ามันมีเกิดมันก็มีแก่มีจิด ม, มีตายไม่จบุดิ้นเห็นหนึ่งก็พอทานเป็นเหตุจะแล้ว ท่านพิจารณาเห็นชัดเห็นชัดขนาดไหนเห็นชัดจนขนาดที่ท่านว่าเบื่อมันไม่หมายมั่นมันเลยเอื่อมละอาแล้วเด่นมากระถิ่งทั้งหลายเหล่านี่หลายภพหลายชาติแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อว่าจะเอามันหมดสมบัติในโลกจะเอามันหมดเหลือแดดแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่มีอะไรแน่นอนนะ ท, ท่านเห็นอนิจจังทุกขั้งหน้าตาในจิตใจของท่านท่านก็เห็นว่าสภ า, าวะธรรมทั้งหลายค้อนนี่มันเกิดเนี่ยมันดับไปทุกเกิดก็ทุกเราทุกเกิดก็ทุกเราทุกเกิดก็ทุกลเ่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยที่นี่เออมันจะเพียงว่าทุกข์มันเกิดแต่ทุกข์ขมันดับเท่านั้นถ้าทุกข์เกิดกจะเข้าใจว่าทุกข์ ชาุกหลับไปตรงนั้นเราเรียกว่าสุขเท่านั้นเ่ีได้เป็นมาแต่คุบกันอยู่ตรงนี้นะมันก็ไม่เกี่ยเรื่องมันจะทีหนึ่งเลยโดนทำไมอ๋อมันจะมันจะหายนอนเรื่องไม่หายเพราะมันมีที่อยู่ตรงนั้นเรื่องมันเป็นตาอย่างนี้นี่จะนั่นพวกเราสังหายเนี่ยทําเพื่อให้เป็นปัจจัยก็ยังดีแล้วให้มันมั่นให้มันไว้อืเยให้มันมั่นไว้อื เรื่องพิรสดสนะมักมีโอก์สประการนั้นร่วนแต่ออกจากสิตของเราเชนนะั้นอันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิด ข, ขึ้นมาจากพ่อแม่คือศีลศีลสมาธิปัญญาคู่กระจังทูนนี้ก็ไปนี้ไปจากนี้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมากแหล แต่สันขยายไปถึงแปดเนี่น้ยก็แปดก็มีแต่มารวมเรียกมันเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลนี่คือรักษาอะไรที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นแต่นะั้นถ้ามันอยากจะทำอยู่ตั้นไห้อดไหมบางทีมันยังถลําไปด้วยขาดศีลไปทีนีเลยนึกด้ยต่อมาอีเห็นไหมโยมเขาต่อกันตะวันตะวันต่อไม่หยุดเห็นไหม ผมเคยเพียร์ตได้ต่อกันไม่หยุดด้วยต่อไม่หยุดเลยศีลมีต่อไม่หยุดต่อไปจนพิบว่าไม่มีศีลเลยเหมือนเชือกมันขาดต่อเรื่อยต่อจนไม่มีที่ต่อต่อจนหมดเชือกพุลนหมดทั้งเส้นเลยนี่โยงเหมือนกันต่อิีนต่อศีลเหมือนกันไอ้วัวเราทางในเหมือนกัน่ะถ้าเป็นระบาดเดียวกัา สัปดาอาทตยโยโลเกมีสัปดาห์ผมอยู่วัดบ้านครับไป้ยินสะบาทออกมาแล้วก็มาสแสดงอบัติเนะี่ยตอนเช้ามาก็สแสดงอบัติเย็นมาก็สแสดงอบัติทุกทีสแสดงอบัติสแสดงอบัติอยู่อย่างนั้น แสดงไปทําไมไม่รู้อ่ะท่านพาแสดงมาบางบา ง, งคนอยากกินเขาเย็นก็กินมันไม่ยากหรอกไปแสดงอบัตมันก็ตกทุกนั่นเลยเอออยากไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่ามันอบัตเล็กน้อยอืไปแสดงอบัตมันก็ตกอ่าเดือเอเป็นคู่มือซะเนือเป็นเครื่องมือฮะกินเลยการแสดงอบัตนเนี่แสดงไม่ได้จะแตก ประชิดกับสังขารน ะ, นะะแสดงไม่ได้ยากกัวนะไอ้ทุกวันเนี่ยคงไม่รู้อวบัดเด็กๆน้อยเนี่ยมันก้าไปถึงประชิดเมื่อไรก็ไม่รู้มันเก้าไปถึงสังขารทเสียบเมื่ อ, อไรก็ไม่รู้แต่เท่านี้ก็ยังยกไม่ขึ้นนะจะไปย ก, กอีกมิตรขึ้นหรือไเนี่ย ไอ้ตัวฤกษ์คดีเรายังรักษาไม่ได้อีปราชิกสังคาติเศษมันตัวใหญ่กว่านี้เราจะรักษาได้หรือไม่ก็ได้ถูอว่าตัวเล็กน้อยมีสำคัญนะไปสะแสดงกับบาเราก็หายไปหายหายไปหายไ ป, ห, ห, ไปหมดง่านะเลยเอาเป็นคู่มือหากินเลยออยากจะกินเขาเย็นวันนี้ก่อกินนะไปสะแสดงอาวุธเราตอนตอนเย็นๆสแสดงอาวุาฮนะ กาเไอ้ความรู้ไปตั้งอยู่ในคนตานเหมือนเอาอาวุธใส่มือโจมได้เป็นเครื่องมือหาจินเลยมันเป็นแบบนี้แต่เมื่อไกลกันได้ัวเนี่ยก็มักแก่ประการนี้แนะ่ถ้าแสดงไปมันได้อยยกอ่อนมากถึงเปเรื่องจิตใจ กับการประพฤติปฏิบัติของสามัญชนนตลอดมาตักวันนี้มันห่างไกลกันมากไปเกินแล้วอืมตรงนั้นมันผิดนะอย่าไปทําด้วยยิ่งไปทําตรงนั้นแหละอืตรงนั้นอย่าไปปัสสาวะเลยนะยิ่งไปเปิดตรงนั้นปัสวะเลยตรงนั้นอย่าไปเปิดนะผิดไปแล้วยิ่งเอาอะไรไปงัดที่มันทังหมดแลยตรงนั้น <c oughs> ตรงนี้มันสะอาดอยมาทําสุประกอะไรตรงนั้นยิ่งเอา ผ่นไปเขียนดิเออเธอบอเห็ยนไหมตามตราบนาดดีเห็ยนไหมเออเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไอ้พวกเราดีบ้างกันถ้าหากว่ามันไม่รงรอยสัมมาทิฏีิแล้วมันก็ไม่ไปนะเราลองๆดูก็ได้นลองดูก็ได้มันไม่ไปมันไม่ไปมันเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องสี่สําคัญอันหนึ่งเบื้องแรกเรื่องสมาธินี่มันเป็นเรื่องสําคัญขั้งสีสอง เรื่องปัญญาเป็นสาคัญบเบื้องปลายมันเดยกเป็นศิลป์สมาธิปัญญาแต่รวมมรรคแปดประการนี่คืออะไรย่อมที่ย่อนเป็นศิลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขยายออกไปเป็นแปดประการเป็นมรรคแปดประการรวมขมมึ้นมีศิลสมาธิปัญญาเราประเดียนหนังสือก็สอบกันอยูอ่เรื่อยสอบเอาตัวหนังสือมันแต่ไม่ไม่สอบในใจของเราหรอกมันจะเริ่ดเยอะขึ้นเยอกว่าสั่งมันเยอะ ขอขาพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่เลยเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้ออันนี้ก็เรียยว่าบไอ้ความตั้งใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญไม่มีอะไรมันจะยิ่งไปกว่านี้ยิ่งกว่าความตั้งใจของเรานี้ถึงแม้ว่าจะไม่เดินโยมงงนั่งสรรมาธิกระทั่งมื้อกระทั่งวันก็ยังจิตใจของมันตามเพราะมันอยู่ตลอดเวลาตามเวลาของมันเทียนอยู่อย่างนั้น ไม่มีเสียหายไปที่ไหนหะอกผู้ขีดจราในธรรมปฏิบัติแบบนี้ อ, อันนี้ให้เข้าใจสวดบันเนี่ยพอเอ่ยขึ้นแล้วก็เลยมันมันขึ้นเลยไม่มีนีเถ้าปฏิบัติจิตใจเราลงไปแล้วนะให้มันตรงกันไปมันจะต้องไปอย่างนี้เนี่ย ทำไมมันจะไม่ถูกทำไมมันจะไม่เป็นมันเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้โมพุทธะองค์ของเราสมนกันมันอยู่ตรงนี้ใครมาบอกให้นี้จะดที่ก็ไม่นี้นี่อยู่มันตรงนี้ทํามันอยู่ตรงเนี้ยมันจะตายที่ไหนก็ช่างมันเอามันอยู่ตรงนี้เออก็ไม่เหลือใช้แล้วเนี้ยเนาะขนาดคนโบราณเราที่ไม่ไผ่มาให้ว่าไฟอยู่ตรงนี้ เราที่แม่ไฟไปสีกันต้องมีสองนาทีเราเหนื่อยแต่เ ล, ล่ฟ่วงกับป่ลลามันจะกิดเลยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยป ร, รับความรู้ป ร, รับปัญญาของเราความเพียรในตรงนั้นที่แรกก็สร้างความดีที่แรกเรามีคนชั่วสมณธคนชั่วสร้างความดีขึ้นอีกได้ความดีแล้วหมดดีเท่านี้นะคนนะได้ความดีจะ ย, ยกทงขาวเลยนะ ถ้าพระอง์ไม่เอาแค่นี้มาอืดีท่านก็ไม่เอาอีกทีด้วยอืทิ้งความชัว่วมันได้ความดีดีท่านก็บอกเห็นมันเป็นโทษท่านก็ทิ้งมันไม่สุขไม่ทุกขนะ์มันจะสุขจะทุกข์กลอยมันเถอะมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดแต่มันก็ดับมันเกิดแต่มัก็ดับอยู่อย่างนั้นมันยังเหลืออยู่นั้นอย่างนั้นชื่อของป้าหานเจ้าวบางอย่างแต่เป็นภักกินาจบสิ้น หสิ้นอะไรสิ้นสุขสิ้นทุกข์เมื่อไม่มีสุขมีทุกข์เราจะไปอยู่ตรงไหนเ่หมดมันก็หมดนะมันก็หมดจะพูดให้เราฟังเป็นตน้นโอ้ยต้องการอยากให้มันเหลืออยู่วะ อ, อยากให้มันเหลือไม่เห็นประโยชน์ในการสิ้นสุขสิ้นทุกข์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 อย่างนั้นการถวายทานของญอาติโยมของคู่คนและทั้งหลายว่า<ม>อากาเตกาเร<ม>อนากเตกาเรที่สูดในให้ถึงปนิพนันในอนาคตการข้างหน้าโน้มเทินผุนที่ไหนอุรุเรื่องไก่ดินเดียวนี้ไม่ว่านี่ยไปบอกอนาคต แต่การโน่นนี่ไม่มีมีเตโนนทั้งนั้นะไกลไหมนอะโน่นชาตินี้ก็นโน่นชาติหน้าก็นโน่นไม่ถึงสักทีหนึ่งเลยมีเตโนนโน่ น, นไปเลยอืเหมือนก็นิมนต์พระหลวงตาสิบจักาลนิมนต์ท่านโปรดข้างหน้าโน้นเถอะออไปไปบ้าน น, นั่นก็นิมนต์ท่านไปโน้นเถอะโปรดข้างหน้าโน่นเอะหวงตาไม่เข้าถูกมาฉันเลยมีเตโน้นทั้งนั้นไม่มีอะไร ตามไปตามมาไปโน่นโน่นไปตามโน่นโน่เลยไม่ได้เรื่องเลยเนี่มันก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไปพู ด, ดทําไมเดี๋ยวนี้มันขัดเลยมันยังสุขอยู่เนี่ยมันยังชอบอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่กล้าทิ้งบอกว่าโนู่นเก็เอาเป็นโนอเอโนเหมือนกันกางคนมันยุ่กนนงการงานก็เนี่ย น, น้่งตาไปเป็นเทวันมีมวลคณะโน้มก็ไปโน่นด้วย ไปบ้านหนังคืนิต่ น, นไปโน้มไปโน่นด้วยมีแต่โน่นด้วยไม่มีนี่จทพีหรือไม่ได้ข่าวมาสันเลยนี่หลเรื่องโน้มท่านในพูดถึงเรื่องปัจจุบันของเรานี้การทำมาพึ่งปฏิบัตินี่มันได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องโน้นหรอกได้ไปทีละน้อยด้ น, น้อยเราไม่ดูเรื่องว่าเราได้ไม่ดูเรืงท่าเราได้ไม่ดูเรื่องว่าเ ร, รทาทด้แต่มามันได้ทํำดีแต่มันก็ดดี ก็อย่างเราฉันจังหันนี่เนี่ยหูจะจัดฉันจังหันครั้งแรกคําเดียวอิมม่มไหมไม่อิ่มนะไม่รู้เรื่องอิม่มยี่สิมันอิ่มไหมมากรู้ไหมล่ะอิ่มแต่มันอิ่มไม่มากเอาไปสองคําก็อิม่มอิ่มมากขนาดนิดหน่อยเก็บเล็กเก็บน้อยเขากันนะไปเกือบถึงสุ ด, ทสดทเที่ยวอาหารช้าๆแล้วทีนี้แงไปมองดูขันน้ำก็ได้ เห็นมามเนี่ยไปได้นั่นทำไมเนยเพราะอะไรเพราะสิ่งเล็กเน้อยมันรวมมันขึ้นมารวมมันขึ้นมารวมมันขึ้นมานะรวมมันขึ้นมาไอ้ความหิวก็หายไปหายไปหายไปหิวหายไปหมดแล้วอิ่มลาแล้วมองดูอาหารจานนี้มันอร่อยมันก็ไม่อร่อยหร หยิบโน้มก็ไม่อร่อยหยิบที่ก็ไม่อร่อยนะมะเพราะอะไรนั่นอไอเพราะไอคำเข้าที่เราทำนั่นแหละมันมันมั น, มนให้เก็นอย่างนั้นผลจะสุดสุดแล้วก็กเลิกยอมแล้ว <c oughs> ไม่อยากจะเก็บไปแล้วอืถ้าอยากเอาให้ก็ไม่อยากจะเอาแล้วปล่อยหมดแล้วอิมแล้วนะใช่ไหมแต่เราไม่รู้มันอืม เราเกิดมาคุณแม่การแก่สักกอนเธอจริงจะทำไม่รู้ว่ามันแก่เมืเเ่อเกิดมานะถ้ามันไม่แก่ไม่จะออกจากท้องแม่มาหรอมันอ่อนๆอยู่ในท้องแม่ของมันนั่นแหละจนมาทักออกมาข้างนอกแต่ยังว่ามันไม่แก่อย่านี่มันหลวกงออกรวงของเราจึงนั้นนะมันไม่แก่มไม่ออกมาขนาดนี้หรอกขนาดได้ออกมาข้างนอกอย่างวิ่งเย็นกันอยู่นึกว่าเราไม่แก่อยู่ในนั้น มันหลงจนปวดที่วันตายเด็กะมันน่าคิดอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วอันนียมันก็จะเห็นธรรมะหรอกอันนี้มันไม่อยากจะพิจารณานะน่บวชมาครั้งแรกครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณาลูเนี่มันเป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามหรอกแล้วมันคงอระมันเะเหมือนเหืนขวัน ก็ ง, ง้อไปแล้วมันจับกันไป ไ, ได้โอ้ยเรื่องอสุภะอสุคังมันไม่เกิดเลยมันคัดก็ไปมันก็ไม่เกิดนี่อืแต่วรร น, นานทาไปบ่อยๆนะมีท่ามีทางได้หน่อยนะึงแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยมันหน้าถ้าหใคร ไ, ไม่สนใจจริงๆแล้วไม่มีนิสัยปจัจจัยเข้ามามันไม่ได้อแต่ว่ามันจะคงได้ที่ว่าเป็นปจนะัจจัยนให้มันน้อยไปน้อยไป คือการเราเราฉันแต่หันหนึ่งฉันคําหนึ่งก็อิม่มแต่เราไม่รู้สึกว่ามันอิมอ่มแบบคือทมอยากมันท่วมหัวเจอแล้วเอาสองคำเข้าก็อิมม่มไหมไม่อิม่มเอาอะไรก็วไปมั่นก็ไม่อิม่มเพราะความอยากมันยังอยู่มากะใส่เข้าไป เ, เรื่อยๆ เ, เรื่อยๆเข้าไปถอนถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเออเอาแล้วมองเห็นหน้ารูปหน้าหลานเนีที่นี่ แกสังบอลสังรวมอวะไรก็พอไล้แต่มันอยู่แล้วนี่นะข้างแรกเลโอ้โหยท่านบอกอย่าไปทำทำเข า, าให้โตนะักไม่เห็นเลยนะยิ่งขยำา ม, มาแล้วยิ่งไปปั้นให้ยัดเข้าไปเลยมันยาว ๆ, าวๆนะท่านบอกว่าอย่าทำทำเ้ า, าให้โตนะักฟังตอนเย็นๆมาฟังก็ฟังแต่ว่ามันไม่ดนนะ เมื่อหิวๆมาแล้วก็ไปนั่งเข้าไปในโอ้มองไปแต่กลางหนังหัวแถวทำไมนานฉันตึกือานอนี่บางทีด่าหัวแถวก็ได้เราจะไม่เป็นพระเถระสักทีรยด้พอถึงจะชั้นมันเลยให้ลูกน้องสบายกันนี้นะเห็นเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นบวดมาไม่ใหม่ มองดูท่านอาจารย์โหยท่นานจารย์เนว่ามองเลยนะมองท่านยิ่งไปฉันเลยท่านทรามานเราเลยยังพูดประโยมเรื่องว่าโอ้ยเรามันจะตายแล้วแล้วนี่เว้ย <c oughs> บางทีนึกว่าถ้าจะสึกก็สึกเพราะอันนี้แล้ว <c oughs> ผมอยู่ไม่ได้คือไม่ได้เพราะนี้ล่ะอยาพวกนันกินทันใจดีกว่า ไปอยู่บ้านเราดีกว่าอยู่ที่ไหนก็ดีกว่านี่ด้วยทุกข์มาที่ดเดือดมันคับแคบบางทีก็เลยช่างหัวมานเถิอฉันก็ไม่ฉันก็ฉันเมื่นก่อนเนอะเลยตอบไปเลยนะนี่นนวันนั้นก็คิดว่าเออเราเหนืินไปแต่ว่านี่นะครูบาอาจารย์ท่านเป็นนบุญุูตรท่านยังไม่ไันนั้นเรตอบไปซะแรกอายไซะหน่อยไปหยุดมาอีกโอ้ยมันยากด้ลือเนนี้เท้านี้มันไปยังไม่เห็นนะ การทำคำข้าวมันกมกรอมอย่าทําทําแก้มให้กระตุยออกมากันบว่าทหารารเดินยุบกรมตอนเย็นเย็นมานั่นก็พระเห็นคำข้าวกลมกรอบเลยหรอกเมื่ออาหารรวงจะบาดโอ้ยน้าลายมันไหลเหมือนหมาบ้านี่เลยมองหน้ามองหลังมองหน้ามองเอามือขยำเข้าสู่เดมีดู้มันกลมมันกรองยัดก็ไปเลยยัด เอออันนี้ผมรักผมรักแต่แบาก็คอยคอยคออยดูมันอยู่คอยดูมันไปดูมันไปดูมันไปดูไปจึงเห็นว่ามันเป็นจิตแต่ก่อนนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเว้ยกราบแต่มันอยู่เรื่อยๆกราบความโลกไภควางโกร้ความหลงลกรธขึ้นมาก็ไม่อดเหมือนกันไม่อดมัน มันโกรธเนี่ยทำผิดใจโกรธไม่โอดทำตามความโกรธของเรานั้นเนี่ยก็นึกว่าหว้ไหว้มันซะฟังมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเมื่อไปนานๆดูไปแล้วนานๆใจเย็นๆเออเออเออในเรื่ามันไม่ขะจ้ามันเป็นโทษเหมือนกันเนี่ยเห็นแมดเดียร์ธรรมะนะเดี๋ยวพอมาอีกมันนุ่มนะตันประกันทั้งหลายเนี่ย อย่าจะไปเข้าใจว่ามันง่ายๆนะมันมีเหตุมีผลนะอ่ะมันมีเหตุมีผลบางคนไปเข้าใจสูงเกินไปนึกว่ามาเอากันง่ายๆเอๆ้อง่ายสําคัญนะเออมันสําคัญนะการประพฤติปฏิบัตินีมันสําคัญต้องอยู่เปน็นนานเห็นไมหมครูอาจารย์ตุ่นเก่าๆันเนี้นช่เวย ไม่ดูแต่ชื่อท่านเประรู้คือใจท่านมันเย็นเนี่ยมันรู้จักไอ้ความทุกข์มาเสนอท่านแบบเี้ความสุขมาเสนอท่านเบบนีเด็กน้อยอย่ามาโกนไอ้ความดีใจมาเสนอท่านเด็กน้อยอย่ามาโกนไอ้ความไม่สบายใจมาเสนอท่านอย่ามาโกนท่านเป็นผู้ใหญ่แล้ว ที่ดีทั้งนัยมันดิ้นอยู่รอบแรอบรอบรอบรอบรอบนั่นเรากระเพียนทันแหม่ทันทำไมทันทําได้เงี้ยน้อใจเรามันดอนฝึกฝึกฝึกเนี่ยอย่างนั้นทั้งตั้นจึงให้อยู่กับครูาอาจารย์ให้ดูครูอาจารย์เป็นเป็นพยานหาักฐานโดยโดยรูปพิจารณาเปนานนานนานนๆนนาน ตัวอย่างท่านสันติจิตตัวเห็นฝนตกเห็นท่านวิ่งไหมผมไม่เคยเห็นท่านวิ่งสันติจิตตัวฝนตกตกแลกนาดได้กัอย่างเฮ้ยนะผมก็ยังวิ่งเลยเป็นบางครั้งสันติจิตตัวไม่เคยวิ่งเลยเปียกมันเปียกไปเฉยแดดออกมาร้อนขนาดไหนพระเนร้อนวิ่งขรุขระเฉยสำคัญเหมือนกันอะไรมันพาเฉยอยู่นั่นน่ะท่านไม่ร้อนเต็มทีเหมือนกัน ท่านจะรู้จิตใจของท่านท่านไปหนาวหรือท่านก็หนาวเหมือนกันท่านรู้จิตใจของท่านเห็นไห ม, มบางทีจัดของสบาทสั่นเฉยบางทีเพื่อนฉันไปจนคืบอีกเฉยมองดูไม่ยินโอ้ยมันน่าอึดดัดเดือดเดือดนอะอยู่อย่างนี้กิเรศก็อยู่กับท่านไม่ได้แล้วเนีนานไป น, ะนี่ยหนีเท่านั้นเองบางทีเอามันมันหูวหน่อยก็เอาใส่ซักคํานึ่งใส่ไปซะ ตะช้าอีกสักห้านาทีก็แม่อีกสักคำดูมันไปยังไงโอ้เนี่ยทําจีเดียดให้เดือดร้อนทําจีเดียดในอยู่ยากมัม่นก็เหมือนกันกับสุนัขอะไรเราสุนัขหรือแมวมาอยู่กับเรารนะิเมื่อไรเนี่ยมีแต่ไร่ทั้งนั้นะข้าวก็ไม่ให้กินวันนี้ก็ไม่ได้กินพรุ่งนี้ก็ไม่ได้กินเนี่ยไป ทั้งๆออกกระวองไตเลยน่ะะอ้เมวตัวนั้นมันอยู่กับเราสี่วันมันไม่สบายใจมันแลยวแมวตัวนั้นมันก็หนีเน่ยไปหาคนดื่นเคี่ให้ข้าวมันกินสบายสบายไม่เอาแซ่แขกมันก็อยู่ตรงนั้นที่เรียกีกันเหมือนกันนั่นเนี่ยถ้าใครมารู้จักมันแล้วอื่นไปอยู่กับคนนั้นแร่สบายใจริ่นโดนเพื่ออะไรฮะเอาตามใจของมันตามใจเจเดียร์มันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามันไม่ ทรมานยิรงอันนี้มันคงจะเป็นอย่างนั้นแลักษณะน้าปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือทาดูมันมันจะเป็นยัง ไ, ไงไหมรู้เรื่องอันนี้ยังไม่เห็นมันล็อก ม, ม, มันใช่อะไรพักมันใช่อะไรพักพั บ, พบตามความต้องการตามความปรารถนาคนเกรยียเนีดมันก็ได้คนใช่ดีเรืองเกิแนแม่ บอกวิ่งก็วิ่งบอกนั่งก็นั่งบอกนอนก็นอนบอกทําแล้วก็ทําตามเรื่องของมันมน่ก็เป็นธาตมันแน่เองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลหรอกถ้าเรามองเห็นมันจะเป็นคนในอย่างเห็นชัดมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดตามภาษาของเราเนี่ผมก็ปฏิบัติตามภาษาจิตของเจ้าของนี่แหละแต่ว่าพูดมันไปถูกกับประพีอยู่มันไม่มีเหลืออยู่ตรงนั้นแหละออ มันเก็นเป็นอย่างนั้นเอแล้ววันที่พูดหลายใจเนะรราะแล้วก็ไอ้ขอไออแรงทุกๆุกคมดุสิทุมาทันหลายเนี่ยในวันที่ต่อไปเนี่ยออ้ชวนจะจวนจะออกพรรษาแล้วนะเหตุการณ์ของเราอย่างหลายอย่างบางทีนายหลวงสเสด็จมาในวัดเราก็ได้นะ เมื่อเรายังอยู่นี้อยากจะอขอความเพียรสามีกันอยากจะให้ทำความสะาดในวัดของเราอย่างทำิดตามตามทางซอยไปตามทางทางนี้ก็ทางทางคณะใต้ก็พยายามทำทางนี้ช่วยๆกันทำทางคณะเหนือนี่ทางคณะนี้จะช่วยกันทำจะทำอย่างไรก็ได้ แล้แต่จะเอามาเราจะและจะทำเป็นวันวันเดี๋ยนี่มันทางานหลายกลุ่มนะนมันจะไม่เสร็จเนี่ยนนควรจะทำทุกปีแล้วก็ใครไป ม, มาแล้วก็ทำช่วยกันทำทำถนนบนทางที่สะอาดเก็บกิ่งไม้อะไรที่มันเกะกะกะอย่างนีรวมกันไว้ดีๆเป็นแถวนะ